พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบทุกกนิบาต ท, ทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบสูตรที่สองสำหรับหมวดนี้แบ่งออกเป็นห้าวรักวรรคละสิบสูตรเช่นเดียวกันวรรคที่หนึ่งว่าด้วยบุคคลวรรคที่สองว่าด้วยความสุขวรรคที่สามว่าด้วยสิ่งที่มีเครื่องหมายวรรคที่สี่ว่าด้วยธรรมะและวรรคที่ห้า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 และไม่เจริญแก่บุคคลสองประเภทที่สำคัญผิดต่างๆกับที่ไม่สำคัญผิดต่างๆในเรื่องที่ควรรังเกียรเรื่องอาบัติธรรมะและวินัยตาติยะปัญ น, นาตหมวดห้าสิบสูตรที่สามมีห้าสิบสูตรและห้าวร์เช่นเดียวกันวร์ที่หนึ่ง ว่าด้วยความหวังวักที่สองว่าด้วยการขอร้องวักที่สามว่าด้วยทานการให้วักที่สี่ว่าด้วยการต้อนรับวักที่ห้าว่าด้วยสมาบัติส่งแสดงความหวังที่ลได้ยากคือความหวังในลาบกับความหวังในชีวิตบุคคลที่หาได้ยาก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 พึงขอร้องให้เป็นเช่นนางเขมากับนางอุปนว น, นาอุบาสกผู้มีศรัทธาพึงขอร้องให้เป็นเช่นจิตตะเขา้าฤหบดีกับหัตถกะอาลาวะกะอุบาสิกาผู้มีศรัทธาพึงขอร้องให้เป็นเช่นขุชุตราอุบาสิกากับนางเวลูกันตะกิยาผู้เป็นมารดาของนันทมานก ในเนื้อความที่อื่นจะเห็นว่าในที่นั้นชื่ออุตราผู้เป็นมารดาของนันทมานกถ้าเป็นคนเดียวกันก็น่าจะมีชื่อนำหน้าหลายอย่างอธิกรรกฐาแก้ว่านางกุจุตระเป็นผู้เลิศทางปัญญานันทมาตาหรือมารดาของนันทมานกเป็นผู้เลิศในทางมีริษพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า